กรัมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งพระปชาพระไพบูญนาพี่ปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนําำตำมัคําสอนที่พระเจ้าได้ประกาศไว้มาพูดคุยกันในคําสอนนั้นมีเนื้อหา ม, มากมายได้แสดงไว้เป็นอเนกปริยายในช่วง45ปีนั้นตัวข้าพเจ้าเองหรืตัวข้าพเจ้าเป็นพระสงค์นะตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สอนแต่เป็นผู้ที่บอกต่อคําสอนคําสอนนี้สอนโดยสมาสมุททเจ้า คําสอนสอนไว้แล้วผู้สอนมีอยู่แล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้นําเรื่องใหม่ๆมาพูดแต่นําเรื่องเดิมๆที่มีคนสอนไว้แล้วนั่นแหละมาพูดต่อมาบอกต่อการทําหน้าที่ตรงนี้คือการทําหน้าที่ให้ให้ผู้ฟังฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้แจมแจ้งตามความสามารถที่แต่ละคนแต่ละท่านมีแต่ซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถที่จะแยกแยะเห็นประเด็นความลึกซึ้งได้ไม่เท่ากัน พระบาทผู้หนึ่งมีประสบการณ์อย่างหนึ่งในทำงานมาอย่างหนึ่งเห็นแง่มุมในเรื่องธรรมะนี้อย่างหนึ่งในอีกผู้หนึ่งในทำงานมาอีกอย่างหนึ่งมีประสบการณ์อีก anda, อย่างหนึ่งไปเห็นแง่มุมในธรรมะก็อย่างต่างๆกันไปแต่ประสงค์ก็อย่างหนึ่งไม่ชีก็อย่างหนึ่งสามเณรก็อย่างหนึ่งแต่แต่ละคนก็อาจจะมองเห็นแง่มุมได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นความลึกซึ้งความแยบคายที่เราเนี่ยจะต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บท พระพุทธาได้ปัญญัเอาไวา้เพื่ออะไรเนะี่ยเพราะว่าทุกแต่และคนมองจากคําบะพุทธเาคำเดียวกันเนี่ยนี่ยก็มองได้คนละมุมกัน น, นีความหมายมันจึงมีได้เยอะแยะความหมายเนี่ยจึงมีได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นพอมีความหมายได้หลายอย่างเยอะแยะจึงเป็นแง่มุมที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้น ม, ม, มาเพราะฉะนั้นเหล่าสาวกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเมาื่อไรก็ตามมีการสางฆาชามีการที่จะมาทําการสังฆานามาพูดคุยในเรื่องธรรมะแง่มุมนี้เป็นไงเธอมยังไงเป็นไง ก็จะมีความแตกฉานในเรื่องของธรรมะมากๆากเกินเพราะอยังครูบาอาจารย์คําเทศคําสอนของท่านที่ท่านได้เคยบอกเคยสอนไว้นั่นก็เป็นแง่มุมที่ท่านได้ระบุไว้พิจารณาไว้ไครคุอาไว้รรเร า, ามาศึกษาตรงนี้เราก็เรียนจากท่านได้แล้เราก็มีความรู้ที่ท่านได้วิเคราะห์ย่อยมาแล้วนะเออในตรงนั้นเรามาวิเคราะห์ย่อยต่อแล้วก็ทําให้มีความแตกฉานมากยิ่งขึ้นไปเพราะในเรื่องของคําสอนไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์องไหน ของอัตถกาถาก็ตามเราควรที่จะเข้าไปดูไปเล็งให้ดีแล้วเราก็ต้องจดจำไปด้วยนะว่าไอ้ที่เราไปดูไปเล็งเนี่ยมันมาจากพุทธพจน์ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์แต่ล ะ, ละรูปเนี่ยอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นนั่นเป็นการดีนะอธิบายแล้วท่านทําความแจ่มแจ้งกอะไรให้เกิดขึ้นได้เ อ, อ้ยอะไรตรงนั้นนะเราเรียนรู้จากตรงนั้นได้แล้วอะไรล่ะที่ทําให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเราตรงนี้เราก็เรียนรู้ตรงนี้ได้ อันนี้จะทําให้เปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้นะคลายความสงสัยต่างๆได้แลนะมันจะทําให้มีการเรียนรู้กันที่มากขึ้นยิ่งขึ้นไปและพอเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็มีข้อที่ต้องระวังแตนะ่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือความที่จะเป็นงูพิษแต่ความที่จะเมาความที่จะมึนนะในเรื่องคําสอนต่างๆเหล่านั้นแตนะ่จะศึกษายอย่างไรให้คลายความเมาแตนะ่คือถ้ายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งมากแล้วเมาแล้วมึนแตนะ่คิดว่าฉันดีฉันเด่นฉันรู้ หรือว่าไม่เข้าใจความหมายที่ถูกต้องไปเข้าใจเรื่องอื่นไปเป็นเรื่องใหม่ไปอย่างนี้นะอันนี้ไม่ถูกนะถือว่าเป็นความเหมาเป็นพิษในที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาได้เป็นพิษที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้แต่คือคําว่าศึกษาในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแต่เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะศึกษาในรูปแบบของการอ่านหนังสือหรือศึกษาในรูปแบบของการเดินจงกรมหรือศึกษาในรูปแบบของการนั่งสมาธิหรือศึกษาในรูปแบบใดๆก็ตาม แต่บางคนจําธรรมะได้เอามาใคร่ควรในใจด้วยท่านนั่งเน่ยนั่งสมาธิใคร่ควรธรรมะไปอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งแต่บางคนจําธรรมะได้เอามาใคร่ควรในรูปแบบการเดินอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งบางคนยังจําไม่ได้มาอ่านเอาอ่านแล้วใคร่ควรอยู่ในหัวขณะที่อ่านนั้นอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดๆพิษงูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่งูไม่ได้มากัดด้วยคุณตอนที่เดินอยู่ นั่งอยู่มันก็กัดคุณได้ในอยู่ในท่านั้นมันก็กัดคุณได้นักัดแล้วพิษที่มานี่แหละเราจะรับมือกับมันยังไงเพราะเราก็ต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเป็นพิษนั้เกิดขึ้นโดยไม่ใช้ความรู้นั้นไปทิ่มแทงคนอื่นนะให้มีความเสียหายไปนะแเราก็ต้องเข้าใจความหมายแห่งเนื้อความนั้นให้ถูกต้องอย่าให้มันมาเป็นพิษกระราให้เกิดความเมาให้เกิดความมึนแทนที่จะเป็นเครื่องที่จะปราดพระหานกิเลส เป็นเครื่องที่ใช้ประาดประหานผู้อื่นทํากิจเหล่านันตัวเองให้มากขึ้นมาจนล้นออกมาไปด่าว่าคนอื่นมันไม่ถูกไม่ดีเราต้องระวังงูพิษที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้พิษงูมันเกิดขึ้นในใจของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้เราเริ่มเมาแล้วเมาบุญบ้างหลงบุญบ้างเมาตําราบ้างเมาการปฏิบัติบ้างเมาความรู้บ้างเมาครูบาอาจารย์บ้างเมาวัดบ้าง เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ความเมาความมึนมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนันคือมันเริ่มเมาเริ่มมึนพิษมันจะเริ่มออก น, นพิษมันเริ่มออกมันจะเริ่มเป็นอกุศลตรงนี้มันจะดูได้นต่นว่าในใจของเรามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ต้องแยกยยายก่อนนะว่าอกุศลธรรมกับเรื่องของทุกขเวทนามันไม่เหมือนกันนันคือเวลาเราโดนภาษาอะไรขึ้นมาแล้วเราจีบจีบเป็นอะไรจีบเป็นราคะหรือเป็นโทสะ หรือว่าเป็นเรื่องของความโกรธแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอคุิชธร ร, รมหรือไม่ถ้ามันใชนะ่อันนี้เราต้องละแต่แนสะดงว่าเราเริ่มมีอกุิชธ ร, รรมในใจเราต้องแก้ไขจจะเป็นความเมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นละ่ะซึ่งความจีดความที่เราไม่พอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับเรื่องของทุกขเวทนาทางใจคือทุกขเวทนาทางใจเนี่ยเป็นผลของภัสสะที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่บางท่านท่ามันทีมีภัสสะเกิดขึ้น ้เราก็มีความโกรธเกิดขึ้นด้วยอันนั้นเป็นอากุศลเราต้องล้าตรงนั้นแต่ถ้ามีภาษาเกิดขึ้นล้าเป็นทุกขเวทนาทางใจนั้มันปวดใจอันนี้ต้องแยกแยะว่ามันไม่เหมือนกันอที น, นี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอากุศลธรรมเกิดขึ้นในใจแสดงว่าเราเริ่มมีความเมาละ่ะเริ่มมีความที่ไม่เข้าใจอาจจะมีพิษที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานั้นพิษนั้นแน่นอนละ่ะรากของมันก็คืออวิชชาแต่ทําให้เกิดพิษได้ส่วนประกอบในพิษนั้นอันหนึ่งต้องมีอวิชชาแน่ นะพิดนั่นมาจากอะไรก็ามาจากลูกศรคือตัณหาที่มันตําเข้าไปเนะกิดขึ้นตรงนี้แล้วาอาจจะทําให้เราเมาเนะมาแล้วเกิดเป็นอกุศลเกิดขึ้นเกิดมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ข้าพเจ้าจะต้องมาพูดถึงเรื่องว่าวิธีการในการที่เราจะละอกุศลเนี่ยมีกี่วิธีข้นะพาพเจ้าได้ตรัสถึงวิธีในการที่จะละอกุศลมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันเริ่มจากวิธีที่1นนะึคือพอมีอกุศลเกิดขึ้น อะไรทําให้อกุชลของคุณเกิดขึ้นดูให้ดีเดีเช่นบางทีเราเจอหน้าไอ้หมอนี่เจอหน้าไอ้หมอนี่นะแหม่มันมีอกุชลธรรเกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ทุกเวทนาทางใจล่ะแต่ว่ามันเป็นราคาบ้างเดี๋ยวเช่นว่าเจอคนที่เราชอบเรารักใช่ไหมเกิดความรุ่มหลงใจมันมึนไปเลยอ้าวนี่เป็นราคาเข้าถูกราคะเผารลนละ่ะหรือเจอคนที่เราไม่ชอบแหมมันโกรธจี้ขึ้นมามันหึมหึมอยู่ในใจ อันนี้เป็นโทสะเกิดขึ้นละเราเห็นไอ้บุคคลพวกเนี้หรือเหตุคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแต่มางกรัอาจจะไม่ได้เห็นหน้าคนเป็นๆล่ะแต่ถูกแฟนทิ้งอย่างเงี้ยแต่ไปคิดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นในที่ผ่านมาไม่เท่าไหรแต่มันก็เป็นนิมิตให้เรามีอารมณ์นั้นๆเกิดขึ้นอันนี้แหละที่เราจะต้องแก่แต่พอมีอากัลาธรรมเกิดขึ้นแล้วทำยังไงในวิธีแรกก็คือว่าเหตุที่ทําให้ตรงนั้นเกิดมันอะไรมันนิมิตอะไรเครื่องหมายอะไร ให้เราเอาตรงนั้นออกเสียแต่เช่นถ้าเราเห็นหน้าไอ้หมอนี่แล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นคุณก็อย่าไปมองมันก็อย่าไปคิดถึงเขาหรือว่าความคิดถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะแล้วเราจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีอกุิสรธรรมคลุมหลุมจิตแต่คุณก็อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเอาแล้วทําไงเพราะจิตมันไหลลึกไปตรงนั้นอยู่เรื่อยมันจะตกไปตรงห่วงความคิดนั้นอยู่เรื่อยแต่พระเจ้าก็ให้เปลี่ยนนิมิตแต่เปลี่ยนความคิดซะ นำะไปคิดพิจารณาหรือเห็นนิมิตในเรื่องอื่นๆที่เป็นกุศลธรรมเช่นอะไรบ้างเนะ่อเช่นถ้าผู้ว่ า, าคุณเห็นหน้าคุณก็มองไปทางอื่นได้ใช่ไหมคุณก็ไม่มองเขาแล้วมันจะต้องตามมันต้องไปมองเสื้อที่ใดที่หนึ่งอ่ะเราก็ไปมองสิ่งที่จะทําให้เกิดกุศลธรรมนะอะไรล่ะมองแล้วมันจะเกิดกุศลธรรมเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เปน็นต้นเอานะคุณเห็นพระพุทธเจ้าจิตใจมันก็ยังเป็นน้อมไปในทางบุญทางกุศลเออนี่ดีนะหรือว่า เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งละ่ะที่เราเช่นว่าเราได้เคยไปทําบุญสร้างกุศลมาแนี่นะึกถึงตรงนั้นคิดถึงตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตที่ทําให้เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นได้นะีอันนี้คืออาศัยเครื่องช่วยนะบางงั้นแนะ่พระเจ้าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเวลาที่ช่างไม้เนี่ยเขาใช้ลิ่มสลักอันเล็กเนะี่ตอกเพื่อที่จะสกัดลิ่มสลักอันใหญ่เนี่ยให้มันหลุดออกไปได้ นะหรือว่าเราใช้เครื่องเคณิว่าคานงัดอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณใช้กําลังคนนิดนึงสามารถที่จะยกของใหญ่ๆได้โดยใช้ระบบของคานงัดนะในที่นี้เราใช้เรื่องของเครื่องหมายอาจจะเป็นเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีกุศลธรรมแต่สิ่งที่เราต้องการคือกําจัดอกุศลธรรมออกไปเอากุศลธรรมใส่เข้าไปแทนนะการที่จะเอาอากุศลธรรมออกไปได้ คุณก็ง ắt, ัดกุศลธรรมใส่เข้าไปคุณจะอะไรมาเป็นเครื่องงัดล่ะก็เอานิมิตที่มันดีๆเอาเรื่องราวที่ดีๆเนี่ยจับยัดเข้าไปแดนแตนะ่พอคิดถึงเรื่องราวที่ดีๆปุ๊บอกุสรธรรมเกิดปุ๊บอกุสรธรรมต้องเด้งออกไปแตนะ่มันจะต้องชิ่งออกไปด้วยการที่แบบผลักมันออกไปอย่างนี้แตนะ่ถ้าทําอย่างนี้แล้วอกขุสรธรรมนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้จะถึงความหลุดไปหายไปจบไปนะนี่เป็นวิธีการที่1 ห, นะหรือว่าวิธีการที่สอง นะั่นคือพยายามประทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วโอ้โหอาุโสลธรรมนี่มันหนักมากแตนะ่มันใหญ่กว่าเยอะแตนะ่จะเอากุโสลธรรมก้อนที่เรามีไปเทียบมันมันไม่ได้ละงัดเท่าไหร่มันก็ไม่ไปแตนะ่ซึ่งบางทีเราก็เห็นอยู่อะบางทีงานการบางอย่างใช้เครื่องงัดเครื่องช่วยคนสองสาคนทําไม่ได้นะั่กอาจจะต้องใช้เครื่องจักรช่วยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เขาทําไปแตนะ่ถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะในเรื่องของการกําหนด it, นะิมิตหาเครื่องช่วยอื่นๆที่จะทําให้ใจของเรานั้นมั น, ม, นมีอกุโสลธรรมออกไปได้ แต่บางคนอาจจะคิดถึงเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรอ้าวกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนเราคุยปรึกษาหารือได้นะให้ใจของเราสบายขึ้นนี้ก็เป็นวิธีการที่1นึ่วนวิธีการที่สองนะที่ถ้ามันวิธีการที่1มันไม่ได้แล้วแล้วก็ให้ใกรกรวนเห็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้นแตการเห็นโทษเนี่ยมันทำให้เกิดกําลังฮึดขึ้นบางทีแต่สิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราไม่พอใจเอ้ยทำไมมันอยู่ตรงนี้เราต้องเอามันออกไปแต่กำลังมันจะมีขึ้น ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวอย่างแรกที่ขพระเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคุณเอาสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยดันอ ก, กุศลออกไปแต่กําลังมันไม่พออ ก, กุศลธรรมมันใหญ่เหลือเกินอา้าวฮึสู้ไหนเห็นโทษของอ ก, กุศลนั้นมากๆเห็นโทษของอ ก, กุศลมากๆกําลังแสเราจะเพิ่มนต่พระเจ้าได้เปรียบเทียบเหมือนกับชายหนุ่มหรืหญิงสาวนะที่ชอบการแต่งหน้าแต่งตัวนัมปรากฏเขาเอาสร้างอะไรไม่รู้เน่าเน่ามาแขวนที่คอเห็นแล้วปุ๊บอุ้ยยิง่งแบบรีบเอาออกทันที รีบขยักขยั่งเกลียดชังเอาออกไปเลยเดีวมันจะมีกําลังตรงนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามียอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเดีวพยายามที่จะไม่คิดเรื่องที่จะทําให้เกิดอกุศลเหล่านั้ น, นเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นออกไปเอามาแทนที่ด้วยความคิดที่เป็นกุศลต่างๆแล้วมันยังไม่ออกฮ่เอาดูว่าความชั่วร้ายความเป็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้นมันจะมีอยู่อย่างไรเดี๋เพราะว่าไอ้เจ้าอกุศลธรรมเนี่ย ถ้ามันเก็บไว้ในใจของเราแล้วมันจะไม่มีประโยชน์เลยแตนะถ้าเราตายไปตรงนั้นโอ้โห้วฟังเลยไปนรกกําเนิดตาลชาญเปรวิสัยนะไปที่ที่ไม่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเก็บอคุชันั้นไว้ยังไม่ออกไปถ้านะเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปนี่นานนานนานนานแสนนานไหนกว่าจะได้มาเป็นคนกว่าจะได้เป็นเทวดาหรือกว่าจะได้มาบรรลุธรรมรู้ธรรมได้มันไม่ดีมากๆอย่าให้มันมีตรงนี้ โอ้ยงั้จะเก็บอกุชจ ไ, ไม่ทาไมต้องรีบเอามันออกอย่างเงี้ยแล้เราจะมีกําลังฮึดขึ้นมาแตนะตรงนี้คือจึงเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเห็นโทษนะนี่คือวิบากหมายถึงผลของความที่เรามีอกุศลนั้นแล้วนะพิจารณาตรงนี้ด้วยนะหรือแม้แต่ตัวมันเองตัวอกุศลเองนะตอนนั้นที่มันมีอยู่มันก็เป็นโทษล่ะเช่นถ้าเรามีราคะหรือโทสะหรือโมหะอยู่ในใจของเรามันเป็นไฟที่เผาให้เราแม้แต่นอนบนเตียงนุ่มๆ เปิดห้องแอร์เย็นๆน้ะมันก็ยังใจร้อนปลิกไปปลิกมานี่คือโทษที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันแต่ว่าตัวมันเองก็ยังมีโทษยังไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านะว่ามันทําให้คุณไปเป็นอะไรอะไรอะไรบ้างนะมันชั่วร้ายเร็วสามอา่ะเอาแค่ปัจจุบันเองนะมันก็ทําให้ตัวเรามีปัญหาล่ะคือตัวมันเองไม่ดีนะถ้ามีแล้วไม่ดีงัแล้วไอ้ตัวที่มันไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรมีนั่นคือหมายความว่า ก็ถ้าเราต้องการสิ่งดีๆในชีวิตของเราใช่ไหมแล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาส่งไว้ในใจของเราทําไมอย่างเช่นว่าสมณะเนี่ยนะคือที่เขาเรียกว่าเป็นสมณะสมณะเนี่ยเราเป็นผู้สงบถูกไหมสมณะก็ต้องประพฤติสมณะธรรมแตนะ่แล้วถ้าเป็นสมณะแล้วจะเอาอยัางยังจะเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมณะธรรมมาส่งไว้ในใจมันก็ไม่ถูกนะมันไม่ถูกนี่ยังไม่ได้พูดถึงผลร้ายของเจ้าตัวสิ่งที่ไม่ใช่สมณะธรรมนะ อ ย, อย่างยกเรีงยงพระสงค์ใช่ไหมพ ร, ระสงค์ควรจะต้องมีสมณธรรมแต่ถ้าบอกว่าเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมเช่นราคะโทสะมาส่งไว้ในใจเอาสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมเช่นความอาฆาเบเบียนมาส่งไว้ในใจอันนี้ไม่ถูกอันนี้ข้อที่หนึ่งที่เห็นได้สองคือตัวไอ้อคุศรต่างเหล่านั้นเนี่ยมันมาอยู่ในใจของเรามันก็ไม่ดีัแล้ว 3. ตัวมันเองจะมีทุกข์เป็นผลนทุกข์เป็นวิบากมันจะทําให้เราไปตกนรกกาหนิดในชาติเบริวิสัยเพราะอย่างถ้านผู้ฟังเนี่ย ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็อย่างที่ว่าไปถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเอาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลนะแต่ถ้าใจของเรามันมีเจตนาที่จะผิดศีลนะ่ะแม้มันไม่ควรนะอันนี้คือข้อที่1ที่คุณจะเห็นได้แต่แล้วข้อที่2ไอ้เจตนาที่ไม่ดีที่จะทําให้เราผิดศีลเนี่ยมีรกากคะมีโทสะเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเผารุนอยู่ในใจตัวมันไม่ดีอย่างแล้วนำปัจจุบันก็ให้ผลไม่ดีแล้วข้อที่สในเวลาต่อมาต่อมาอีก นำไปโน้นนรกกำเนไดดัชนีวิสัยนั่นคือสุดเลยนะสุดทางที่คุณตายนะหรือว่าถ้าในชาติปัจจุบันนี้คุณยังทรงมีอยู่ต่อไปนะอาจจะทําให้ไปถิดคุกติดตารางเป็นประเด็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆอีกใบนะเราก็อย่าทำนะความอิจฉาริษยามบอกเราเป็นคนขี้อิจฉาอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนขี้อิจฉาอ้าวนี่เป็นอกุศลนะอ่ะมันจะทําให้เกิดเป็นโทษมีเรื่องราวกับคนนั้นคนนี้เกิดเป็นขึ้นไปได้เห็นโทษของมันตรงนี้แล้ว มันจะกระแข็งแบบพยายามที่จะเขี่ยมันออกไปเนี่ยจะมีกําลังมากขึ้นอันนี้ต้องใช้เป็นวิธีที่2องนะท่าู้ฟังเนี่ยใช้เป็นวิธีที่2เพื่อที่จะช่วยวิธีที่หนึ่งนะนี่เนี่ยความเห็นข้าพเจ้านะความเห็นข้าพเจ้าที่ว่าถ้าเราพยายามที่จะใช้อกุศลธรรมดันมันออกไปละไม่คิดเรื่องที่เป็นอกุศลนําพยายามจะดันสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่กําลังไม่พอเราใช้ความที่เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลช่วยได้เนี่มันก็เอียงมันลงไปในทางต่ํานี่ยเราใช้กําลังดันเข้า นะมีกำลังฮึดสูมากขึ้นอันนี้จะได้แต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มาก่อนก็อาจจะได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราทำตามลาดับมาเป็นอย่างไรในที่นี้พระเจ้าใส่ไว้เป็นลำดับที่สองแล้วก็ที่สามถ้าบอกว่าเราทำวิธีแบบนี้แล้วแต่ยังไม่ได้พระเจ้าก็ได้เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับคนที่มีตาเนี่ยไม่ต้องการเห็นรูปที่มันมาตรงนี้แล้วเราก็มองไปทางอื่น แล้วก็เปรียบเหมือนไอ้อกุศลที่มันมีอยู่ตรงใจตรงเรื่องเนี้ที่มันมีอยู่เนี่ยพยายามที่จะเอากุศลใส่เข้าไปใส่เข้าไปแทนแล้วก็ยังไม่ได้แต่คิดถึงโทษถึงอะไรของมันของโทษของอกุศลแล้วก็ยังไม่ได้อ้า้งก็ไปทําด้านอื่นก่อนแต่คือตรงนี้อาจจะยังทํางานตรงนี้ไม่ได้นะไออุปสรรคที่มันมังขวางตรงนี้เอาออกยังไม่ได้คุณก็ไปทำงานตรงจุดอื่นกันจุดอื่นที่เราทําได้จุดอื่นที่เราจะสร้างกุศลได้ เราฟังเคยเล่นหมากฮอสหรือหมากรุกเนี่ยหรือเกมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นมีฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เ, เขาถ้าตรงนี้เราแพ้เราก็เอาตรงอื่นมาสู้แทนเหนะมือนกันสนามรบตรงนี้เรายังไม่ชนะเอาต้านทานไม่ได้ก่อนเอาหยุดไว้ก่อนแนะั้วกันไปรบตรงอื่นก่อนเช่นเดียวกันตรงนี้มันมีอกุศลอยู่ยังแก้ไขไม่ได้เอางั้นไปทํากุศลด้านอื่นก่อนแล้วเราอาจจะยังทําสมาธิภาวนาไม่ได้แม่นั่งแล้วจิตใจไม่สงบแต่ก็อย่าทิ้งเรื่องศีลอย่าทิ้งเรื่องการให้ทาน เนื้อสีนทานคุณนําได้คุณก็ทําไปทําตรงจุดนั้นไปทําให้ดีมากขึ้นอา้าวสักวันหนึ่งเราก็ค่อยมากลับมาแก้ตรงนี้ห น, น, นี้จะเป็นเรื่องที่สา ม, มารถทําได้นี่คือข้อที่3แต่คือไม่ได้หนีนะแต่ทําอื่นให้มันดีขึ้นห น, น, นี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อ น, อ ก, อนก็ไปคิดเรื่องอื่นในปริชาเปลี่ยนเหมือนกับคนที่มองไปทางเนี้ยแล้วมันเห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นนะี้ก็มองไปทางอื่นซะเปลี่ยนได้สมมุติว่าเราทําตรงนี้ยังไม่ได้ ดังใจใเราไปคิดเรื่องอื่นได้เยอะแยะมากมายในกคิดเรื่องอื่นที่จะทําให้เกิดกุศลธรรมได้ตรงนี้จะต่างกับข้อที่หนึ่งยังไงนั่คือข้อที่1เนี่ยคือคิดที่จะแก้ตรงนี้ให้ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าหัวหน้าคนหนึ่งก็ด่าเราอย่างเงี้ยทําให้เราเจ็บจำนําใจคิดถึงหน้าอีกหัวหน้านี้ตีไรมันเป็นอกุศลทุกทีเอาเราก็ไปคิดถึงหัวหน้าคนอื่นนคิดถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นนที่ยังเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้คือข้อที่1 นะถ้าข้อที่2ก็อย่างที่ว่าไปแล้วหนาะให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นแต่ข้อที่3มนั้นต่างกับข้อที่1ตรงที่ว่า เ, าเราไปคิดถึงแม่ของเรานนาถึงครอบครัวของเราหนะให้ครอบครัวเป็นกําลังใจเอาเลิกคิดเรื่องงานซะนาะกลับมาบ้านก็เลิกคิดเรื่องงานหนาะอยู่กับครอบครัวหนะมีความรักความเมตตากันหนะโอบอามารีในครอบครัวเออมันก็เป็นกุศลธรรมได้แต่เรื่องงานแก้หรือยังหนยังอนะงกลับไปถึงที่ทํางานก็อาจจะยังทุกอยู่อาจจะยังมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่ยังแก้ไม่ได้ แต่ยงน้อยให้คุณทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในส่วนที่คุณทำได้แต่เรื่องภาวนาจะยังไม่ได้เอ า, เาก็มาทำเรื่องศีลเนื้อศีลมีทั้ง5ข้อ8ข้อหลายข้อเอาศีลข้อนี้ยังทำไม่ได้คุณก็มาทำศีลข้อนั้นนี่คือลักษณะของข้อที่3านมะก็เรียกว่าเป็นการที่เราจัดละอาคุณสัตธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราได้แตนะ่ถ้ายังไม่ไดนะ้คิดเรื่องนั้นก็โอ้โหก็เจอแต่อาุณสัธรรมคิดเรื่องนี้ก็โอโ้ก็เจอแต่อาคุณสัตธรรม คิดเรื่องที่ทํางานที่บ้านเราก็เป็นเหมือนกันหมดเลยมีดาอกุศลธรรมนะพ่อแม่ลูกก็เป็นอย่างนี้่หนะัวหน้าก็เป็นอย่างนี้อ้าวทาไงทีนี้ในะวิธีที่สี่ทั้ 4, ทงหมดก็คือให้ปรุงแต่งมันเป็นอย่างอื่นไปซะคือสับเจ้าอากุศลธรรมนี่ให้มันเล็กลงเล็กลงนะ่เป็นชิ้นที่เราจะย่อยได้จัดการกับมันได้พระเจ้าใช้บทเพียนชนะตรงนี้ว่ากระทําในใจซึ่งรูปปัณณ้นสันตานในการปรุงแต่งแห่งวิตกของอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้น นะั่นคือคำที่การปรุงแต่งของแห่งความคิดนะของเรื่องอกุศลธรรมเหล่านั้นก็คือปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องอื่นไปซ ะ, ะหรือว่าเราจะสับมันให้ละเอียดเล็กลงไปน แ, แบ่งจากชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นย่อยที่เราจะย่อยได้หรือว่ามีการคิดเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นแง่มุมอื่นๆที่จะทำให้มันสงบระ ง, งับลงไปผมชะยกตัวอย่างอย่างนี้มะบังบอกว่าเบรมเหมือนคนที่เดินเร็วเฮ้ยก็ฉุกคิดมาเฮ้จะเดินเร็ ว, รวไปทำไม เ, เดินค่อยๆดีกว่า เดินค่อยๆแล้วก็จุกคิดขึ้นว่าเอ๊ะจะเดินค่อยๆไปทําไมยืนดีกว่ายืนแล้วก็จุกคิดคิดว่าเอ๊ะจะยืนทําไมเอานั่งดีกว่านั่งแล้วก็สุขคิดว่าเอ๊ะจะนั่งทําไมนอนดีกว่านั่นคือเปลี่ยนจากอรีบทหยาบๆเนี่ยมาเป็นอดีบทละเอียดละเอียดตรงนี้จะทําให้ใคลอกุศลธรรมได้หมายความว่าไออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราพิจารณาแยกแยะว่าไอความไม่ดีเนี่ย ม, มันมีโทษอะไรยังไงแล้วนะพยายามไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันก็ยังกลุ่มรมจริตขงเราอยูนะ่ก็ให้พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้คือหมายความว่าความคิดบางอย่างที่เราคิดวิเคราะห์พิจารณาไปเนี่ยทำให้เกิดอกุศลใช่ไหมพอมีอกุศลเกิดขึ้นแสดงว่ากระบวนการการคิดวิเครานะห์นั้นอาจจะไม่ถูกแต่เช่นะว่าเห็นคนเป็นอย่างนี้หน้านตาก็เป็นอย่างนี้หรือข้อพูดจาบางอย่าโอ้มันต้องเป็นองั้นแน่เลยเขามีความคิดอย่างนี้ทําให้ใจเรามีอกุศลเกิดขึ้น พอนะใจเรามีอกุศลเกิดขึ้นอย่างนั้นมันไม่ดีใช่ไหมเราพยายามแก้แก้อะไรต่างๆแล้วก็มาถึงวิธีที่4ตรงนีก้ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ความคิดวิเคราะห์ที่เราคิดไปนั้นอาจจะไม่ถูกก็ได้นะเราปรุงแต่งไปในลักษณะ ท, ที่จะไม่ให้อกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในความคิดของเราเองในะปรุงแต่งในแง่มุมนี้แม่้มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมเนี่ยจะลกไปได้ก็คือเห็นแง่มุมของความคิดนั้นใหม่จากแง่มุมหนึ่ง ที่จะทําให้อคุชลดธรรมมันไม่เกิดเนะข้าใจนะอย่างเช่นว่าเขาทําคนนี้ก็ทําอย่างนี้แสงมันต้องอิจฉาใช่แ น, น่ๆเลยมันต้องเกลียดใช่แ น, น่ๆเลยเออพอไอ้ความเกลียดความอิจฉาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้นี่เป็นอคุชในใจของเราเอาเราก็คิดวิเคราะห์ในลักษณะอืน่นในแง่มุมอื่นว่าเอ้็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้อานะจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เขาแสดงออกมาอย่างนี้ถึงแม้อะไที่เขาแสดงออกมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อานหมายความว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้น อากูสโตรตัมมันก็คลายไปจากใจของเราอันนี้ก็เป็นวิธีที่สี่ในแง่มุมอื่นในะภาษาอังกฤษเขาจะมีศัพท์ที่เรียกว่ามองมุมอื่นนะมองมุมอื่นของเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละนะว่าอาจจะเป็นอย่างนี้เช่นเด็กที่พูดมากนทะําไมเด็กแบบดือ้อซนเออมันฉลาดนะมันดื้อมันซนเนี่ยนะเราก็ตั้งความเมตตาไว้ในลูกได้แตนะ่บางทีลูกทําอะไรแบบวุ่นวายโอ๊ยทำไมมันดื้อมันซนเราจะมีความอาฆาตมีความโกรธเกิดขึ้นเอะมันไม่ดีเอาเราก็มองมุมอื่นไปที่มันดื้อมันซนเนี่ย แสาเป็นเด็กฉลาดอย่างนี้ไปต้นนตะ่เด็กที่พูดมากโอ้ยทำไมพูดไม่หยุดทํา ไ, ไม่หยุดเลยมันทำไมมันกวนมโมโหอย่างนี้นะเราจะมีอากาเกิดขึ้นไม่ดนะีเราก็มองมุมอื่นว่าคนที่พูดเก่งพูดมากอย่างนี้เด็กโตขึ้นไปเป็นนักกฎหมายได้ทำอาชีพที่ดีได้ก็มนะองมุมอื่นแต่คืออย่ากให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราอันนี้คือข้อที่4ข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังถ้าอากุศลธรรมมันยังเกิดอยูนะ่มันยังเกิดอยู่แก้แบบนี้ก็ไม่ได้แก้แบบนั้นก็ไม่ได้ พยายามตัดกำลังมันพยายามคิดเรื่องอื่นพยายามที่เสียเปี่ยมมุมมองคิดแล้วแล้วก็ยังมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตอยู่แน่นอนตามหวังว่าอกุศลธรรมมันไม่ดีไม่ว่ามันจะเกิดมากเกิดน้อยยังไงก็ไม่ดีไม่ได้แล้วหากดิบตามหวังหากดิบกันมันเลยมันจะอยู่หรือมันจะไปถ้ามันจะอยู่มันต้องตายแต่ถ้ามันไปก็ให้มันไปดีมันไม่อยู่วิธีการทํำยังไงพระุเจ้าก็บอกว่าให้ขบฟันด้วยฝัน จดดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิต้นะบีบให้แน่นจนร้อนจัดเผาจิตด้วยจิตอย่างนี้หรนะืเหมือนตอนที่โพลิสัตตอนนั้นพุชฌาของเราอยู่ที่รู้เวลาเศนานิคมนี่แหละนะทำความเปลี่ยนชนิดที่เรียกว่ายิ่งยวดทีเดียวข่นะมฟันด้วยฟันนะเอาฟันอัดกันนะอัดเพดานด้วยลิ้นข่นะมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดจนกระทั่งตัวร้อนขึ้นนะทั้งกายเหมือนกับมีคนมาเผามาไฟมารุมอยู่เพื่อคิดว่าวิธีการนี้จะทําให้บรรลุทําได้ แต่ก็ไม่ได้บรรลุธรรมเอ้าแล้วทําไมถึงบอกให้ทําทําไมพระเจ้าถึงแนะนําให้ทำํำคือพระเจ้าตรัสไว้ตรงหนึ่งท่านฟังบอกว่าได้รับทุกขเวทนาขนาดนั้นเนี่ยถ้าเผือมีปัญญาก็บรรลุได้นะอ่าหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่มีทุกขเวทนาหรือไม่ได้มีทุกขเวทนาขนาดนั้นก็ตามถ้าไม่มีอริยปัญญาก็บรรลุไม่ได้ต่อให้มีเวทนาขนาดนั้นหรือไม่มีเวทนาขนาดนั้นแต่ถ้ามีอริยปัญญาก็บรรลุได้เหมือนกัน แต่บางทีการอยู่ลําบากท่านผู้งการอยู่อย่างลําบากทําให้อกุสธรรมมันละไปได้พระเจ้าได้ตรัสเปรียบเทียบเหมือนกับช่างสอนลูกศรนเนี่ยเขต้องมาลนมาดัดนะเพื่อที่จะให้มันตรงการลนการดัดก็เปรียบเหมือนการที่เราอยู่อย่างลําบากแต่บางทีทําให้อกุสธรรมมันดับไปได้แต่พระเจ้าก็ฝึกอย่างนั้นมาอันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านผู้ฟังไปทํากายให้ลําบากบอบบะปิบลีนะแต่เราต้องมีอริยะปัญญาอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะมีทุกขเวทนาหรือไม่ก็ตามมันทีมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทําให้เราลืมเรื่องอื่นไปได้ชั่วคราวมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทําให้เราเห็นแงม่มุมอื่นๆใหม่ๆแต่ไม่จริตใจของเรามีกุศลธรรมได้ผลการที่เราทําจิตในลักษณะ5ขั้นตอนอย่างนี้นะเราพิจารณาดูอย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตถ้ามีคุณจะรู้ได้ไงคุณต้องตรวจสอบตรงนี้ต้องมีสติแลนะมีสติตรวจสอบพิจารณาดูว่าไอ้ใจของเรามันมีอกุศลธรรมมีแล้วรีบละมีแล้วรีบเอาออก นะด้วยวิธีการต่างๆที่ว่าไปนี้5ขั้นตอนอย่างนี้เดี๋ยจะทําให้จิตใจของเรานั้นมีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมตั้งขึ้นได้แต่มีใช่ที่เย็นมีใจที่สบายเคื อ, อตอนทำมันอาจจะไม่เย็นอาจจะไม่สบายนะถ้ามาตกถึงวิธีที่5แล้วเนี่ยแต่ถ้ามีความเจ็บปวดทางกายขึ้นบ้างมันอาจจะทําให้ลืมเรื่องอื่นไปได้นี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะนนเพราะว่าพุทธพจน์ก็ตรัสไว้อย่างนี้คมขีบีบคั้นกันทีเดียวจะบอกไม่บอกนะอกุศลจะออกไม่ออกนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะตายแล้วมันจะออกไม่ออกแนะมันต้องไป ใจเราก็จะพออยู่ได้บ้างเนี่ยพออยู่ได้แล้วมีกุศลธรรมแล้วเนี่ก็ดํารงตนอยู่ในความไม่ลําบากก็ได้เนี่ยเราก็ดูให้ดีพิจารณาให้เหมาะสมทําตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าผู้ใดทําตามกระบวนการห้าขั้นตอนนี้ต้องได้แน่นอนนะเพราะว่าข้อสุดท้ายนี่บรรทักติดกันเลยละ่ะทำอย่างนี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีอานาจเหนืออำนาจเหนือจิตเนี่ยจิตจะไม่มีอํานาจเหนือเราได้ เพราะว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญฉลาดเนื้อเครื่องคลองแห่งความคิดทั้งหลายจะคิดเรื่องนี้ก็ได้จะไม่คิดเรื่องนี้ก็ได้จะตรี ต, ตัดเรื่องนั้นก็ได้จะไม่ตรีตังเรื่องนั้นก็ได้เป็นผู้ที่สามารถที่จะมีอำนาจเหนือ จ, จิตจิตมันบึงที่พาเราไปคิดเรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้บ้าบอนั่นนี่โน่ น, นแต่ถ้าเราจะไม่ให้มันคิดคุณต้องสั่งมันได้เพราะไม่งั้นมันไม่เชื่องไม่ดีไม่ถูกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ตปลาที่ไม่ทําตามคําสั่งที่สั่งงานใช้งานไม่ได้แล้วก็ไม่ดีเขาก็ไม่เอามาใช้งาน อย่างเช่นช้างป่ามา้าป่าหรือว่าวัวป่าเนี่ยเขาไม่เอามาใช้งานเพราะว่ามันสั่งไม่ได้ทําไมเขาถึงเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ว่าใช้งานได้สั่งได้นั่นก็เพราะว่ามันสั่งได้มันทําตามคําสั่งได้จิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเป็นจิตใจที่สั่งไม่ได้มันคิดเป็นแบบมีพฤติกรรมมีความพยศมีความเสียผิดทีน่รนเป็นจิตใจที่บ้าบ้าบอๆหลงหน้าหลงหลังเอา้าใช้งานไม่ได้เนี่จิตใจแบบนี้ไม่ถูกเดีต้องแก่้าได้จิตใจเป็นจิตใจที่สั่งได้ ให้คิดเรื่องกุศลได้ให้คิดเรื่องทำความดีได้ให้คิดเรื่องบุญละบาปได้เออสั่งดาบเป็นจิตใจที่ดีจิตใจนี้จะทำความสุขความเจริญมาให้ชีวิตของเราด้วยคนรอบข้างด้วยสังคมด้วยจะมีความสุขขึ้นมาได้วันนี้ครับท้าพระใบบุญณนภะิพุญโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดรันนบอล